ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราจะตั้งใจกันแล้วให้ทำใจเข้มแข็งกล้าหาญอย่าไปอ่อนแอท้อแท้กับความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆ เป็นชื่อว่าความง่วงความเหงาเหล่านี้นั่นมันไม่ยุติลงได้นะถ้าหากว่าเราเอาชนะมันไม่ได้ถ้าอ่อนแอไปทำมันแล้วมันก็ครอบงำอยู่อย่างนั้นแหละทำให้เป็นคนง่วงเหงาซึมเซอไม่มีสติปัญญาอะไรเลย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 เป็นของผ่องใสามาแต่เดิมแต่ที่มันเศร้าหมองก็เพราะคนเรานี่ะปล่อยให้กิเลสมันหุ้มห่อเอาเหตุนั้นมันจึงเศร้าหมองถ้าหากว่าเราลากกิเลสออกไปกิเลสมันดับไปเท่าไหร่จิตใจมันก็ผ่องใสขึ้นมาเท่านั้น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 เป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการความสุขที่แท้จริงแล้วพึงทำใจให้สงบพึงน้อมสติเข้าไปภายในเพ่งใจนั้นให้เข้าถึงความสงบอย่าให้ใจมันฟูออกมารับกับอารมณ์ต่างๆภายนอก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 มันจึงดิ้นโลนเสวงหาเงินทองเข้าของให้ได้มามากๆโดยเข้าใจว่าเมื่อตอนสะสมเงินทองเข้าของได้ม า, มากๆแล้วตนก็จะมีความสุขสบายอ่าอย่างนี้นะเหตนั้นมันถึงดิ้นเสวงหาไปไม่หยุดยัง้งหันหลังให้ศาสนาคล้ายๆก็ว่า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 สงบจากบาปอากุศลต่างๆ <c oughs> เมื่อใจสงบลงไปแล้วมันก็มีความสุขมันไม่มกังวล น, นะสาเหตุที่มันจะสุขนะ น, นะมันอิ่มมันพอเมื่อเมื่อจิตใจมัสงบลงแนละ้วมันไม่อยากได้อะไรเพราะฉะนั้นนะมันถึงเป็นสุขนะ พระพุทธเจ้าตราัว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันถูกต้องเลยอ่ะกม็มาใจนี่มันยังอยากยังหิวยังดิ้นรนทยเยอทยานต้องการอยากจะได้รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆอยู่อย่างนี้นะมันก็หาความสงบสุขไม่ได้เลยนั่นเน่ย พระฉนั้นพระพุทธเจ้าจึางตรัสว่าตัณหาเป็นเนตได้เกิดทุกข์ทุกทางใจนั่นแหละทุกที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะบันนี้ที่มันจะให้ทุกต่อไปเบื้องหน้านั่นมันจิตใจมันก็ยึดขันห้านีว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ใช้ขันห้านี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้าง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 ที่เศ้ามองให้ผ่องใสเลยออย่างนี้นะ่ยตัณหาเนะี่ยมันเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ให้พึ่งพากันเข้าใจดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้รวบยอดเหตุแห่งทุกข์คือตัณหานั่นเนี่ยเพราะตัณหาในเมื่อบรรยายไปแล้วมันมากมายเหลือเกินนะนเป็นอย่างนั้น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 อันนี้นะเป็นอุบายวิธีล่าความอยากของจิตใจนะให้เพึ่งพากันเข้าใจก็เพราะเมื่อมันอยากแล้วมันก็เพ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรส น, นันละไม่ไม่ใช่ว่ามันไปอยากอันได้อากาศสว่างสวัยอะไรอยู่ภายนอกอันนั้นไม่ใช่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 เนี่ยที่จริงถ้าพิจารณาโดยปรัมญา ธ, ธรรมแล้วรูปเป็นต้นดังกล่าวมานี่ไม่มีอะไรที่น่าปราถนาน่ารักใหรพอใจเลยถ้าเพ่งให้ถึงความจริงแล้วพารูปทั้งหมดจะเป็นรูปหยาบรูปรละเอียดรูปปันกลางรูปปันนิดอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเลย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 มันก็แปรปวนแตกดับไปก่อนรูปเกิดทีหลังมันก็แปรปวนแตกดับทีหลังแต่ว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปรูปที่เกิดทีหลังนี่อาจแตกดับไปก่อนรูปที่เกิดก่อนก็ได้มันสุดแล้วเหตุปัจจัยที่บุคคลสั่งสมเอามาเมื่อรูปนี้แตกสลายลง เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็ดับไปตามกันหมดเลยนี่ลองคิดดูให้ดีเพ่งดูด้วยปรมัถ ธ, ธรรมอย่าไปลำเอียงไปในความรักความใคร่โดยส่วนเดียวต้องทำใจเป็นกลางแล้วเพ่งดูซะก่อนก่อนที่จะยินดียินร้ายไปก็ดีเมื่อเพ่งดูโดย ความสัตว์ความจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องมันเพ่งบ่อยๆทีแรกมันก็เพ่งดูรูปกายอันดวงจิตอาศัยอยู่เนี้ยก่อนนะเมื่อเห็นแจงรูปกายอันนี้ตามมันจริงแล้วก็เพ่งดูรูปกายภายนอกนอกกายนี่ออกไปมันก็มีสภาวะเหมือนกันเลยไม่แปลกกันแล้ว รูปทั้งหมดมันก็ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอไม่นอกเหนือไปจากธาตุเหล่านี้เลยถ้าแถมอากาศธาตุปิญญาณธาตุเข้าไปอีกรูปหมายถึงรูปกายของมนุษย์และสัตว์ดิเรฉานบบนี้นะมันต้องมีสองธาตุนี้เข้าประกอบด้วยอีกมันจึงได้นามว่ามนุษย์หรือว่าได้นามว่าสัตว์ดิรฉาน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 ต่างๆเหล่านั้นว่ามันเป็นไปเพื่อทุกข์ทำไมมันยังเป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละไปยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อสิ่งที่มันไม่เที่ยงมันแปลโพนไปอย่างนี้จิตใจนี่ก็เป็นทุกข์แล้วบันี้ไปไ ป, ไปหวงมันไว้นี่ยเมื่อมันพัดพาแกวไปก็ต้องอาลัยละห้อยต้องเป็นทุกข์นี่ นั่นแหละเราต้องใช้ปัญญาวิจารวิจัยดูอย่างนี้มันก็เห็นได้เห็นโทษแห่งความยึดความถือได้ไอ้ความยึดถือเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันก็มีอยู่สองประเด็นนะเมื่อยึดถือด้วยอวิชชาตัณหาไอย่างนี้มันก็พาให้ไปทำบาปทำความชั่วอ่า มันก็มีทุกขสีเป็นที่ไปแล้ ว, วันนั้นนะเมื่อบุคคลไม่รู้ตัวนะขืนยึดถือเอาเรื่องชั่วไว้เป็นอารมณ์อยู่ในใจจนตลอดชีวิตอย่างนี้นะไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางเลยนั่นแหละความยึดถืออันประกอบไปด้วยอวิชชาตัณหาอย่างนั้นแหละมันพาไปสู่นรกเปรตอสุรกายสัตว์ไรฉานไอ้ความยึดถือประเภทที่สอง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 จนกลัวว่าบุญกุศลนั้นจะเต็มมาเมื่อบุญกุศลนั่นเต็มแล้วมันก็มันก็ปล่อยวางเองเมันก็ยุติเลยหายอยากหายหิวหายหลงหายเมาไปหมดเลยแบบนี้อ่ไม่อยากได้อะไรแล้วเมื่อบุญกุศลเต็มแล้วนะมันอิ่มทัวมันเต็มที่แล้วเลยอเพราะว่าเมื่อบุญกุศลมันเต็มแล้วนี่มันก็ กำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปเมื่อกิเลสตัณหาอันเป็นเดชได้เกิดทุกข์แล้วนั้นดับไปหมดแล้วมันก็เหลือแต่ความสุขล้วนๆที่ท่านเรียกว่านิพพานังประมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายความว่าสุขอันนี้มันสุขไม่มีจืดไม่มีจางสุข มันยั่งยืนอยู่ตลอดอนันตกาลนะอให้เข้าใจสุขไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป็นยางไนอันสุขในโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เทียบกันดูอ่ะก็เพราะว่ามันสุขอาศัยวัตถุสิ่งของเมื่อวัตถุสิ่งของนั้นมันแปรพรวน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 เลยไม่ว่าจิตสะแล้วว่านี้นะอ่าก็เลยว่านิพพานซะอย่างเดียวอะแปลว่าดับเหมือคกามว่ากิเลสอันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปนั้มันดับหมดเลยท่านจึงเรียก ว, ว่านิพพานอ่าเมื่อสิ่งที่ไม่จริงเหล่านั้นมันดับไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ของจริงอย่างเดียวทำของจริงอันนี้นะไม่ ไม่แปลผันเป็นอย่างอื่นไปเลยเหมือนทองคาธรรมชาติอย่างนี้เนะี่ยเมื่อก็เป็นทองคาอยู่นั่นแหละใครจยเอาไปหล่อไปหลอมไปทุบไปตีทำเป็นเครื่องประดับอะไรมันก็เป็นทองคาอยู่อย่างนั้นเนะี่ยมันไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนะี่ย คำว่า น, นิพานก็เป็นนิพานอยูน่นันนะไม่ได้แปลเป็นอย่างอื่นไปเลยส่วนโลกสานิวาสอันนี้มันแปลเปลี่ยนหมุนเวียนไปไม่หยุดยั้งเพราะเหตุ น, นั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าวัตตะโตโลโกโลกอันนี้มันหมุนไปอยู่อย่างนั้นบุคคลเมื่อสะสมกิเลสไว้ในใจแล้ว กิเลสเหลานั้นมันก็ปั่นจิตใจให้ใช้กายใช้วาจาทำชั่วพูดชั่วไปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นและ ว, วันนี้กรรมชั่วที่บุคคลผู้นั้นทำนั้นมันก็ติดตามให้ผลเป็นวิบากคือให้ผลเป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆน า, นานานี่ท <c oughs> ันเมื่อพ้นจาก วิบากกรรมอันนั้นมาแล้วเอา้าผ่านมาสั่งสมกิเลส ข, ขึ้นมาอีกเอากิเลสอันนี้มันก็เป็นเนี่ได้ทํากรรมดีกรรมชั่วต่อไปกรรมดีกรรมชั่วก็นําชีวิตนี่ให้ละเละให้ละเหยเละล้นไปในสงสารเสวยสุขว้างเสวยทุกข์บ้างไปอยู่อย่างนี้นะชีวิตของมนุษย์เรานะหมุนเวียนเป็นวงกลมอยู่เนี่ย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 เหมือนอย่างบุคคลผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อต่อวัตวาศาสนาอย่างนี้แหละอุปถรัรมภำลงวัตวาศาสนาโดยปัจัจทั้งสี่อยู่อย่างนี้นะแสดงว่าจิตใจชอบบุญชอบกุศลมองเห็นว่าบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยต่างๆ ออกจากกิจใจนี้ไปได้ก็เพราะอำนาจบุญกุศลนี้ให้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันเป็นแกนสารที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นก็ก็คืออาศัยอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่แหละเมื่อบุคคลสั่งสมให้มากๆขึ้นไปเท่าไรมันกกขับไล่กิเลสบาปธรรมออกจากกิจใจนี้ไปเรื่อยๆหมายเอากิเลสบาปธรรมที่ได้สะสมมาแต่อดีต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 มันก็สะสมบุญกุศลให้มากขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าบุญกุศลนี่เมื่อมันสะสมมาน้อยอย่างนี้มันก็ให้ความสุขตามน้อยความสุขไม่ยืนนานถ้าเมื่อสะสมมากเข้าไปเลดมันก็อำนวยผลให้เป็นสุขไปนานเท่านั้นนี่บุคคลมารู้อย่างนี้แล้วมันก็นไม่นิ่งนอนใจนะ